เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ไฝบุญไฝกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13มกราคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ทางวัด ญ, ญาณสังวรารามได้จัดพิธี ทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยเป็นธรรมเนียมของวัดที่จะจัดงานบุญนี้ทุกปีคือจะตรงกับวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานนำกล่าว ถวายสังฆทานแด่ภิกษุ999รูปเพื่อเป็นการอุทิศบุญและกุศลให้แก่บรรดาวีรชนผู้ที่ผลีชีพเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้ยั่งยืนอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความกตัญญูกเตเวทิตา จึงได้มีการทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับท่านเหล่านั้นเพื่อถ้าท่านไปตกทุกข์ได้ยากในภพน้อยภพใหญ่จะได้รับส่วนบุญส่วนนี้ไปนี่คือธรรมเนียมของทางวัดที่ได้จัดทำมาอยู่ทุกปีทุกปีนินพนธ์พระมา999รูป แล้วก็จะประกอบพิธีในตอนบ่าย <c oughs> บ่ายโมงถ้าท่านยังไม่รีบร้อนกับถ้าอยากจะอยู่ร่วมถวาย <c oughs> ก็ขอเชิญเชิญทุกท่านตามอัธยาศัย <c oughs> ว่าการทำบุญนั้นเป็นคุณและเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้รับและผู้ที่ทำผู้ที่ให้ ผู้รับก็ได้ประโยชน์จากของต่างๆที่ได้ถวายเช่นกับข้าวกับปลาอาหารปัจจัยสี่ยารักษาโรคเพราะเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีพนักบวชนั้นไม่มีอาชีพไม่มีรายได้จึงต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมเป็นผู้คอยทานุบำรุงดูแลรักษา เพื่อให้นักบวชจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่คือศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายของบาปกรรมทั้งหลาย ของการเวียนไหว้ตายเกิดให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเมื่อปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะได้นำออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับศรัทธาญาโยงต่อไปเมื่อศรัทธาญาโยงได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดฉันทะ ฉันทะคือความยินดีวิริยะคือความภาคเพียรที่จะศึกษาเริ่มเรียนเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติกับตนอีกต่อไปเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลที่ดีเกิดที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้ตอนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขคลาวคลาด ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการถวายทานจึงนิยมถวายเป็นสังฆทานเพราะทานนี้มีอยู่สองลักษณะคือทานที่ถวายจำเพาะกับเจาะจงกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเรียกว่าปาติบุคคลิกทานถวายให้กับหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพี่ อ, องค์นี้ไม่ได้ถวายให้องค์อื่นอย่างนี้เรียกว่า เป็นปาติบุคลิกท า, านส่วนสังฆทานนั้นเป็นทานที่ถวายให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปที่อยู่ในอาวาสนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องการถวายสังฆท า, านว่าเป็นเป็นการถวายทานที่เลิศที่ประเสริฐที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่าการถวาย ปาติบุคลิกทานคือถวายเจาะจงให้กับผู้หนึ่งผู้ใดความเป็นมาที่ทรงตัดไว้นี้เกิดขึ้นตอนที่พระองค์ได้รับนิมนต์จากพระราชบิดาให้ไปโปรดที่ในวังหลังจากที่ได้ทรงตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเสด็จไปถึงในในวังพระนาง โคต ม, มีก็ผู้ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอยากจะถวายจีวรจึงอุตสาตัดเย็บด้วยตนเองแล้วก็นำเอามาถวายให้กับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธที่จะรับทงตัดว่าให้ถวายเป็นสังฆทานเถิดเพราะจะได้ช่วยสนับสนุน ให้ศาสนามีอายุยืนยาวนานไปถึงห้าพันปีด้วยกันเพราะการถวายสังฆทานนี้จะได้ให้พระที่รับนั้นเอาไปแจกจ่ายเอาไปแบ่งกับพระรูปอื่นไม่ให้เก็บไว้เป็นสมบัติของตนแต่ผู้เดียวเพราะพระทุกรูปก็มีความจําเป็นด้วยกันทุกคนแต่บา ร, รมีของแต่ละรูปนั้น อาจจะมีมากน้อยไม่เท่าเทียมกันบางองค์อาจจะไม่มีบารมีมากไม่มีศรัทธาญาติโยมนำเอาของไปถวายมากบางองค์ก็มีบารมีมากได้รับของมากถ้าถวายเป็นเฉพาะบุคคลแล้วคนที่มีบารมีน้อยก็อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจ อาจจะไม่มีกำลังใจที่จะศึกษาปฏิบัติและอาจจะไม่สามารถคงอยู่ในเพศของสัมมณะได้ก็จะอาจจะศึกขาราเพศไปแต่ถ้าถวายเป็นสังฆทานแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติของพระทุกรูปพระรูปหนึ่งรูปใดจะมายึดถือเป็นของของตนเองหมดไม่ได้ต้องแบ่งกัน โดยวิธีแบ่งนั้นก็ให้พวกพระเถระพระอาวุโสเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปตามลาดับอาวุโสต่อไปเช่นอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายพระในตอนเช้าก็นำมาถวายพระที่อยู่หัวแถวเพราะถือว่าเป็นพระอาวุโสท่านรับแล้วท่านก็หยิบแล้วท่านก็เลื่อนลงไปต่อไป จนถึงพระองค์สุดท้ายหรือสมณะเองส่วนที่เหลือก็นำเอาไปแบ่งปันให้กับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทาบุญกันการถวายสังฆทานจึงต้องมีการอุปโลกก่อนคำว่าอุปโลกนี้คือการประกาศหรือแจ้งให้สงฆ์พระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปทราบว่ามีทานได้เกิดขึ้นแล้ว ขอให้พระสงฆ์ทุกรูปนั้นอนุโมทนาคือยินดีที่จะรับและแบ่งปันกันถ้าพระสงฆ์รับทราบและอนุโมทนาก็สามารถแบ่งปันกันได้ถ้าพระสงฆ์ยังไม่ทราบยังไม่อนุโมทนาถ้าใครไปหยิบไปใช้ก่อนก็ถือว่าถือว่าผิดผิดพระธรรมวินยัย ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่มิชอบดังนั้นของที่ถวายสงทั้งหมดนั้นจึงต้องมีการอุ ป, ปโภลก่อนทุกครั้งดังที่ได้ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นมาแล้วนี่คือการประกาศให้สงได้รับทราบเมื่อรับทราบแล้วก็หยิบไปได้แบ่งกันได้ส่วนที่เหลือก็แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาศรัท ธ, ธาญาติโยม คนที่ตกทุกข์ได้ยากที่เขามาพึ่งพาอาศัยส่วนนี้เขาก็รับไปได้ถ้ายังไม่มีการอนุโมทนาไม่มีการอุปโลกถ้าใครหยิบไปก็เหมือนกับทำบาปทำกรรมดังนั้นที่วัดนี้จะมีการอุปโลกกันอยู่ทุกครั้งถ้ามีการถวายสังฆทาน นี่คืออนิสงค์ของสังฆทานทำให้ศาสนาคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และจะอยู่ต่อไปจนถึง 5,000 ปีถ้ายังมีการถวายสังฆทานอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่การถวายสังฆทานนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอของที่ใส่ ที่เขาจัดมาไว้ใ น, นในกระแปงเป็นกระแปงสีเหลืองๆนั่นเป็นเพียงความสะดวกเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วของที่จะถวายนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าถ้าเป็นถ้าสมควรแก่ส ม, มณะบริโภคเช่นปัจจัยสีด่ดังที่ญาติโยมนำมาถวายในวันนี้กับข้าวกับปลาอาหารที่ถวายพระ ก็เป็นสังคทานเหมือนกันหรือข้าวของต่างๆจะตุปัจจัยไทยทานที่เป็นบริวารก็เป็นสังคทานได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกระแป้งสีเหลืองๆที่เขาจัดมาเท่านั้นซึ่งบางทีสของที่เขาจัดมาถวายนั้นก็มักจะไม่ค่อยมีคุณภาพ และเป็นของซ้ำซ้ำซากๆของที่ใช้ไม่ได้คือเช่นกล่องสบู่อย่างนี้เป็นต้นกล่องสบู่นี่มีอยู่กล่องนึงก็ใช้ได้เป็นปีแต่เวลาเขาจัดเป็นชุดมาเขาก็มีกล่องสบู่มีของต่างๆอะไรที่มันซ้ำซากหรือผ้าก็เป็นผ้าที่ใช้นุ่งห่มไม่ได้เป็นผ้าชิ้นเล็กๆ เพื่อให้มันได้ครบเครื่องเท่านั้นเองแต่การที่จะนำเราไปใช้ประโยชน์จริงๆนั้นไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่สู้ญาติโยมไปซื้อของมาเองดีกว่าเช่นของที่ต้องใช้อยู่เป็นประจำคือยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ผงซักฟอกหรือของฉันที่ฉันตอนบ่ายได้เช่นเครื่องน้ำชากาแฟ น้ำอัดรมน้ำผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ซื้ออย่างนี้มาถวายพระจะได้ประโยชน์กว่าเพราะพระจะได้ใช้แต่ซื้อของที่เป็นกระแป้งมานี่ส่วนใหญ่ก็จะวางไว้เฉยๆเรือเอาไปแจกจ่ายที่อื่นต่อไปเพราะมันมีมากจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วนี่คือการถวายสังฆทาน ขออยากจะทำความเข้าใจไว้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการให้ยอดโยงถวายสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้การถวายทานนั้นก็ขอให้เป็นไปตามอัธยาศัยตามศรัทธาตามความสามารถของของเราอย่าไปดูคนอื่นเขาเวลาเขาทำบุญมากกว่าเราแล้วเราไม่มีปัญญาที่จะทำเท่ากับเขาได้ เพราะว่าเจตนาของการให้ทานนั้นท่านมุ่งไปตรงที่การปลดเปื้องสิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ถ้าเรามีเหลือมากเราก็ทำได้มากถ้าเรามีเหลือน้อยเราก็ทำได้น้อยแต่เราไม่ควรที่จะไปหาเงินหาทองไปทำงานทำการเพื่อที่จะ เอาเงินทองที่หามาได้นี้มาทำบุญเพราะจะจะเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะว่ายังมีบุญอย่างอื่นที่เราทำได้มากกว่าการทำบุญให้ทานเช่นการรักษาศีลศีลนี้ก็เป็นบุญที่สูงกว่าที่ประเสริฐกว่าการให้ทานการให้ทานนี้อ น, นิสง์ ก็จะทำให้ได้ไปเกิดแล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่ได้ไม่สามารถส่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือส่งให้ไปเกิดเป็นเทพได้ถ้าไม่รักษาศีลถ้าทำบุญให้ทานอย่างเดียวแล้วยังทำบาปทํากรรมอยู่ตายไปก็อาจจะต้องไป เกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เนื่องจากได้ทาบุญให้ทานมามากก็จะเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเช่นหมาตัวน้อยๆที่ออกมาแล้วใครเห็นก็อยากจะได้มาเป็นลูกบางคนไม่มีลูกก็เอาหมาตัวน่ารักนี้เอามาเลี้ยงเป็นลูกอา น, นิสงของหมาตัวนั้นก็เพราะว่าชาติในชาติก่อน ได้เคยทำบุญให้ทานมาอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ได้รักษาศีลยังรักเล็กขมโมยน้อยยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังประพฤติผิดประเวณียังพูดปดมดเท็จยังเสพสุรายาเมาอยู่ถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทพเป็นก็ต้องรักษาศีนศีนนี้เป็นเหมือนกับตัวรือบิน จะขึ้นเครื่องบินก็ต้องซื้อตั๋วก่อนถึงจะขึ้นเครื่องได้ถ้าไม่มีตัว๋วเขาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องเขาก็ต้องให้เดินไปก่อนชั้นใดถ้าอยากจะไปเกิดในสุขติไปเกิดในภพของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าอย่างน้อยก็ต้องมีการรักษาศีลและถ้าจะเกิดแล้วมีความร่ำรวยมีความ พร้อมในด้านปัจจัยสี่ในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทำบุญให้ฐานมากๆถึงจะได้ทั้งสองอย่างถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่ผองใสแล้วก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอาการครบ32เป็นต้นนี่คืออนิสง์ของการรักษาศิงและทําบุญให้ทานแต่นี่ก็ยังไม่พอเพราะยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงคือพระนิพพานพระอริยเจ้านั้นถ้าอยากจะได้ไปถึงขั้นนั้น ก็ต้องบําเพ็ญบุญอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าภาวนาจิตตภาวนาคือสมถะภาวน า, า, วนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะคือการการภาวนาทําจิตใจให้สงบก่อนที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จิตใจต้องสงบก่อนจิตใจต้องตั้งมั่น ถ้าไม่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาไม่ได้เหมือนกับคนที่ไม่ได้กินข้าวแล้วต้องไปทำงานทำการไม่ได้หลับนอนไม่ได้กินข้าวเวลาไปทำงานทำการก็จะไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีความอยากที่จะทำฉันใดจิตใจที่ยังไม่ได้รับความสงบเพราะความสงบนี้เป็นอาหารของจิตใจ เป็นการพักผ่อนของจิตใจเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วได้พักผ่อนอยู่ในความสงบนั้นจนอิ่มเต็มที่แล้วพอถอนออกจากความสงบก็พร้อมที่จะไปเจริญวิปัสสนาต่อไปแต่การเจริญวิปัสสนาหรือปัญญานี้เราต้องบังคับจิตให้พิจารณา ทำที่จิตยังหลงยึดติดอยู่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเช่นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือสามีบุตริดาต่างๆหรือร่างกายของตนเองสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้เห็นแล้วด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นสมบัติผลัดกันชมเป็นสมบัติที่อยู่คู่กับโลกนี้จิตเพียงแต่มาอาศัยแล้วก็มายึดมาครอบครองไว้ว่าเป็นของตนเช่นเวลามาเกิดก็มายึดร่างกายที่อยู่ในท้องแม่ว่าเป็นตัวตนเป็นถองตนพอคลอดออกมาแล้วก็เจริญตอบโตด้วยอาหาร ที่มาจากดินน้ำลมไฟเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไปหาสิ่งอื่นๆมาเป็นสมบัติแล้วก็มาหลงยึดติดว่าเป็นของตนอีกมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ยึดติดกับสมบัตินั้นแล้วก็มีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาก็ไปยึดติดกับสามีภรรยาบุตรและทิดาพอสิ่งเหล่านี้มีการแ ป, ปรปลนมีการเปลี่ยนแปลง มีการดับไปก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่เคยเจริญวิปัสสนาปัญญาไม่เคยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของตนเองเลยเป็นเหมือนกับของที่ยืมเขามาเพราะเวลามาก็มาด้วยใจปเปล่าๆมากับบุญกับกรรม และเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยร่างกายนี้ก็ต้องทิ้งให้สับปปเปิ่าเขาเอาไปเผาต่อไปส่วนใจก็ไปกับบุญกับกรรมต่อถ้าฉลาดมาเกิดแล้วทำบุญมากกว่าทำบาปไปก็จะไปแบบกำไรถ้างโง่หมวยยืดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ แล้วหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาด้วยวิธีที่ไม่ชอบทำบาปทำกรรมตายไปก็ไปแบบขาดทุนเพราะเอาบาปกรรมไปมากกว่าเอาบุญไปถ้าเอาบาปมากกว่าบุญไปก็ต้องไปในอบายถ้าเอาบุญไปมากกว่าบาปก็ไปในสุขตินี่คือวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญให้เราพิจารณา พราะถ้าเราจเจริญแล้วเราจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆเพราะเรารู้ว่าจะต้องจากกันรู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีสามีมีภรรยาตอนหนุ่มตอนสาวก็ดูหน้าตาสวยงามแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลายเป็นคนแก่คนเฒ่าไปกลายเป็น คนตายไปในที่สุดถ้าเราพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วจะทำให้ใจเรานั้นหดเข้ามาจะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่อยากจะเสียอกเสียใจไม่อยากจะต้องร้องห่มร้องไห้ก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วใจก็จะโล่งจะสบายจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่หวั่นไหว ใครจะเป็นใครจะตายใครจะจากไปก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คืออนิภากของการเจริญจิตตภาวนาคือสมะถะและวิปัสนาภาวนาถ้าเจริญได้อย่างเต็มที่แล้วจิตก็จะปล่อยวางได้หมดเมื่อปล่อยวางได้หมดก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้เรียกว่าพระนิพพานจิตได้บรรลุถึงพระนิพพานเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะต้องมีการจากกันไปจึงได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วจิตก็จะสบายมีแต่ความสุขและไม่ไปเกิดอีกต่อไปเพราะรู้ว่า ถ้าไปเกิดก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นเหมือนกับไปดูหนังรอบใหม่หนังรอบนี้ก็เหมือนกันรอบใหม่ก็เหมือนกันก็มีเกิดแก่เจ็บตายมีพัดพราคจากกันมีความทุกข์ความวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่พวกเราทุกคนต้องทุกต้องวุ่นวายกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเรามีความหลง ทำให้เราอยากไปเกิดใหม่พอไปเกิดแล้วก็ต้องมาเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้แต่อย่างน้อยก็ยังถือว่าเป็นบุญที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าภพของมนุษย์นี้เป็นภพเดียวของบรรดาภพต่างๆที่สามารถสร้างบุญได้จนถึงจุดสูงสุดภพอื่นๆ น, นั้นไม่ได้เป็นที่ไปสร้างบุญแต่เป็นที่ไปรับบุญหรือไปรับกรรม เช่นเวลาไปตกนรกอย่างนี้ก็ไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัชานก็ไปใช้กรรมถ้าไปเกิดเป็นเทพเป็นพรก็เป็นการไปรับบุญถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นที่รับทั้งบุญและทั้งบาปและเป็นที่สร้างบุญและสร้างบาปได้มีภพของมนุษย์นี้เพียงภพเดียวทนั้นที่เป็นภพที่กระเสริฐที่สุดเพราะจะ เป็นภบที่ทำให้สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นภพที่พระพุทธเจ้ามาเกิดและมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกลู่ไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ได้ปัไม่ได้ไปตัดสรู้บญสวรรค์หรือไม่ได้ไปตัดสรู้ในนรกแต่ทุกพระองค์ต้องมาเกิดในโลกของมนุษย์และมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นนั้นมาถผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปดังนั้นถ้าใครได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคสองชัน้นเพราะได้เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้และมีคำสอนอันประเสริฐที่เป็นเหมือนแผนที่ บอกทางให้เราไปถึงจุดหมายที่เลิศที่ประเสริฐได้ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นมาเกิดเป็นสุนัขถึงแม้จะมาอยู่ในวัดเช่นสุนัขในวัดนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็ไม่สามารถปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลได้แต่อย่างใดเพราะไม่อยู่ในฐานะนั่นเองดังนั้น พวกเราทุกคนเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วจึงควรมีศรัทธาความเชื่อควรมีฉันทะความยินดีมีวิริยะความอุสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ทรงสอนให้ทำแต่ความดีให้ละบาปและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการชำระกาจัด ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำทุกขณะทุกเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่เพราะถ้าเราทำได้แล้วเราจะไม่ขาดทุนถึงแม้เราจะยังไม่ได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานเราก็จะมีบุญส่งให้เราได้กลับมาเกิดใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วก็จ์ในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต หรือไม่เชนนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเช่นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ทรงบำเพ็ญบุญบารามีทุกภพทุกชาติจึงทำให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆได้สร้างบุญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้หลุดพน้นได้บรรลุได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่ อ, กอนๆนั่นเอง พระพุทธเจ้านี้ไม่มีเพียงองค์เดียวมีมาตัดสรู้อยู่เรื่อยๆแต่นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งถ้าใครได้เจอพระธรรมคาสอนได้เจอพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งถ้าไม่ตักตวงประโยชน์ก็ถือว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนที่เกิดมาแล้วเสียชาติเกิดจึงอยากจะฝากเรื่องของการ ทำบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์